เวทนาติกะหนึ่งกุศลติกะสามสภาวธรรมที่ไม่สัมบุญด้วยสุขเวทนาซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่สัมบุญด้วยสุขเวทนาซึ่งไม่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจใจสภาวธรรมที่ไม่สัมบุญด้วยทุกขเวทนาซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่สัมบุญด้วยสุขเวทนาซึ่งไม่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจใจ สภาวธรรมที่ไม่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขมสุขเวทนาซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาซึ่งไม่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุตัปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาและที่ไม่สัมปยุท์ด <th> ้วยทุกขโมุขเวทนาซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาซึ่งไม่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุตัปัจจัยมีเจดวาระ สภาวธรรมที่ไม่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาซึ่งไม่เป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุถูปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาซึ่งไม่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุถูปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขมสุขเวทนาซึ่งไม่เป็นกุศล อาศัยสภาวธรรม ท, ที่มิสัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาซึ่งไม่เป็นกุศลเกิดขึ้นพระเหตุตุปปัตใจสภาวธรรม ท, ที่มิสัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาและที่มิสัมปยุทธ์ด้วยอทุกขมสุขเวทนาซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรม ท, ที่มิสัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาซึ่งไม่เป็นก si ุศลเกิดขึ้นพระเหตุตุปปัตใจมีเจ็ดวาระสภาวธรรม ท, ที่มิสัมปยุทธ์ด้วยอทุกขมสุขเวทนาซึ่งไม่เป็นกุศล อาศัยสภาวธรรมที่ไม่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขมสุขเวทนาซึ่งไม่เป็นกุศลเกิดขึ้นพระเหตุตุปัจใจสภาวธรรมที่ไม่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขมยสุขเวทนาซึ่งไม่เป็นกุศลเกิดขึ้นพระเหตุตุปัจใจสภาวธรรมที่ไม่สัมปยุทธ์ด้วยทุกเวทนาซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขมยสุขเวทนาซึ่งไม่เป็นกุศล เกิดขึ้นพระเหตุตกปัจใจสภาวธรรมที่มิสัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาและที่มิสัมปยุทธ์ด้วยทุกขโมสุขเวทนาซึ่งไม่เป็นกุศล์มาใส่สภาวธรรมที่มิสัมปยุทธ์ด้วยอทุกขมสุขเวทนาซึ่งไม่เป็นขุศลเกิดขึ้นพระเหตุตกปัจใจมีเจดวาระสีสสภาวธรรมที่มิสัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาซึ่งไม่เป็นขุศลอาศัยสภาวธรรมที่มิสัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนา และที่ไม่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขโมขเวทนาซึ่งไม่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุตัปัจจัยสภาวะธรรมที่ไม่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาและที่ไม่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขโมกขเวทนาซึ่งไม่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุตัปัจจัยสภาวะธรรมที่ไม่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขโมกขเวทนาซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนา และที่ไม่สัมบยุทธ์ด้วยทุกขโมุขเวทนาซึ่งไม่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปปัจใจสภาวธรรมที่ไม่สัมบยุทธ์ด้วยสุขเวทนาและที่ไม่สัมบยุท์ด้วยทุกขโมกขเวทนาซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่สัมบยุทธ์ด้วยสุขเวทนาและที่ไม่สัมบยุทธ์ด้วยทุกขมสุขเวทนาซึ่งไม่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปปัจใจมีเจดวาระสภาวธรรมที่ไม่สัมบยุทธ์ด้วยสุขเ ว, ว, ท, ดดวขทนาซึ่งไม่เป็นกุศล อาศัยสภาวธรรมที่ไม่สัมบัติยึดด้วยทุกขเวทนาและที่ไม่สัมบัติยึดด้วยทุกขมสุเวทนาซึ่งไม่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุถูกปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่สัมบัติยึดด้วยทุกขเวทนาซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่สัมบัติยึดด้วยทุกขเวทนาและที่ไม่สัมบัติยึดด้วยทุกขมรสุเวทนาซึ่งไม่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุถูปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่สัมบัติยึดด้วยทุกขมสุเวทนาซึ่่งไมเป็นกุศล อาศัยสภาวธรรมที่ไม่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาและที่ไม่สัมปยุทธ์ด้วยอทุกขมสุ ข, ขเวทนาซึ่งไม่เป็นขุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีเจดวาระยอ่อเหตุปัจจัยมีสี่สิบเก้าวาระอาริมณะปัจจัยมีสี่สิบเก้าวาระละถึงบุเรชาตัปัจจัยมีสี่สปดวาระอาเสวนปัจจัยมีสี่สิแปดวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีสี่สบ้าวาระ สีสเอ็สภาวธรรมที่มีสัมบูรณ์ด้วยสุขเวทนาซึ่งไม่เป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่มีสัมบยุณ์ด้วยสุขเวทนาซึ่งไม่เป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมี4ี่ส้าวาระละถึงปุเรชาติปัจจัยมี48วาระอาศิวนปัจจัยมีสีเจวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมี4ี่สิ้าวาระสี่สิบสอง สภาวธรรมที่ไม่สัมยุญด้วยสุขเวทนาซึ่งไม่เป็นอัพยากฤิอาศัยสภาวธรรมที่ไม่สัมบุญด้วยสุขเวทนาซึ่งไม่เป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมี48วาระละถึงอวิคตะปัจจัยมี48วาระทุกปัจใจเพิ่งขยายให้พิจารณ์ เวทนาติกะสองวิปากติกะสี่สิบสาสภาวธรรมที่มีสัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาซึ่งไม่เป็นวิบากอาศัยสภาวธรรมที่มีสัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาซึ่งไม่เป็นวิบากเกิดขึ้นพระเหตุจจหตุปัจจัยย่อเหตุปัจใจมีสี่สิบเ้าวาระละถึงปุเรชาตปัจจัยมี่สิบวาระอาศัยวิณะปัจใจมีสี่สิบแวาระละถึง อวิยคตปัจจัยมีสี่สิบห้าวาระยอ่อสาวิปากะตะกะหนึ่งกุศลตึกะสี่สิบสี่อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นวิปากซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้เกิดวิปากซึ่งไม่เป็นอกุศลยอ่อเหตุ ป, ปัจจัยมีสามสิบสองวาระอาริมณะปัจจัยมียี่สิบเจ็ดวาระอธิปติปัจจัยมียี่สิบเ้าวาระละถึง อัญญมัญญะปัจใจมีสมสิบวาระละถึงโอเรชาตปัจใจมีมี24วาระอาเสวนปัจใจมี17เจวาระละถึงวิปากะปัจใจมีมี25้าวาระละถึงอวิคตตปัจใจมีมี32สองวาระอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นวิปากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิปากซึ่งเป็นอพยากฤษทุกปัจใจมีปัจใจละ9้าวาระไม่มีวิปาก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 และไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานซึ่งไม่เป็นกุศลย่อเฮตุปัจจัยมี29วาระอารมณปัจจัยมี24วาระอธิ ป, ธปติปัจจัยมี21วาระละถึงอาเสวนปัจจัยมี9วาระละถึงอวิคตาปัจจัยมี29วาระ 5. สังคีตเิขาติกะหนึ่งกุศลติกะสี่สิหก อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่กิเลส ท, ทาให้เจ้ามองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่กิเลสไม่ทําให้เศร้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่กิเลสไม่ทําให้เศร้าหมองและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสซึ่งไม่เป็นกุศลย่อเหตุปัจจัยมียี่สิบเก้าวาระอรมณปัจจัยมียี่สิบสี่วาระละถึงอาเสยวุณ ป, ปัจจัยมีสิบเจ็ดวาระ ละถึงวิปากะปัจจัยมียี่สิเอ็ดวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมียี่สิบ้าวาระหถึงยี่สิบเอ็ดวิต ก, กะดึกะเป็นต้นหนึ่งกุศละดึกะสี่สิบเ็ด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 อวิคตะปัจจัยมีสี่สิบปดวาระสี่สิบปดอาศัยสภาวธรรมที่ไม่สหรคตด้วยปีติซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่สหรคตด้วยสุขซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่สหรคตด้วยอุเบขาซึ่งไม่เป็นกุศลย่อเฮตุปัจจัยมีสี่สิเก้าวาระละถึงปุเรชาตะปัจจัยมีสี่สิแปดวาระอาศัยวนาปัจจัยมีสี่สิแปดวาระ ละถึงอวิคตะปัจจัยมีสี่สิบก้าวาระ4ี่สิบเกอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสามซึ่งไม่เป็นกุศลย่อเฮตุปัจจัยม oh ีย <oh sort of <oh <oh ี่สิบเก้าวาระอารมณะปัจจัยมียี่สิบสีวาระ ละถึงวิปากาปัจจัยมีเก้าวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมียี่สิบ้าวาระห้าสิบอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปิมักซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุม่ใช่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปิมักและมักเบื้องบนสามซึ่งไม่เป็นกุศลย่อ เหตุปัจจัยมียี่สบเ้าวาระอารมณ์ปัจจัยมียี่สิบสี่วาระละถึงวิปากาปปะใจมีเก้าวาระละถึงอวิคตา ป, ปัจจัยมียี่สิ้าวาระห้าสิบเอ็ดอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพาน ซึ่งไม่เป็นกุศลย่อเฮตุปัจจัยมี21วาระอารมณะปัจจัยมี17วาระละถึงวิปากะปัจจัยมี6วาระละถึงอวิคตาปัจจัยมี21วาระ52อาศัยสภาวัธรรมที่ไม่ใช่เป็นของเสขาบุคคลซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นของอเสขาบุคคลซึ่งไม่เป็นกุศล อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นของเสขารุคคลและอาศะบุคคลซึ่งไม่เป็นกุศลยอ่อเหตุปัจใจมียี่สิบเ้าวาระอารมณปัจใจมียี่สิบสี่วาระละถึงอาเสวะณปัจจัยมีเก้าวาร ะ, ร ะ, จจาระละถึง อ, ว, จจ ว, งอวิคตาปัจใจมียี่สิบเ้าวาระ อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นบริตะซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภ า, าวธรรมที่ไม่เป็นมหคตะซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอปมาณะซึ่งไม่เป็นกุศลย่อเหตุปัจจัยมี32วาระอารมณ์ปัจจัยมี27วาระละถึงอัญญมัญญปัจใจมีสมสิบวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมี32วาระ ห้าสิบสี่อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีปริตตะเป็นอารมณ์ซึ่งไม่เป็นขุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีมหคตะเป็นอารมณ์ซึ่งไม่เป็นขุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีอปมาณะเป็นอารมณ์ซึ่งไม่เป็นขุศลย่อทุกปัจจัยมีปัจจัยละสี่สิบเก้าวาระห้าสิบห้าอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นชั้นต่ำซึ่งไม่เป็นขุศล อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นชั้นกลางซึ่งไม่เป็นขุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นชั้นปราณีซึ่งไม่เป็นขุศลยอ่อเหตุ ป, ปัจจัยมียี่สิบเ้าวาระอารมณะปัจจัยมียี่สิบสี่วาระละถึงอาศัวุณปัจจัยมีสิบเจ็ดวาระวิปากปัจจัยมียี่สิบเอ็ดวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมียี่สิบเ้าวาระห้าสิบหก อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นซึ่งไม่เป็นกุศลย่อเฮตุปัจจัยมียี่สเอดวาระอารมณะปัจจัยมีสิบเจ็ดวาระละถึงวิปากปัจจัยมีเก้าวาระละถึง วิคตาปัจจ ko ัยมียี่สิบเอ็ดวาระห้าสิบเจ็ดอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีมรรคเป็นอารมณ์ซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีมรรคเป็นเหตุซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีมรรคเป็นทธิปดีซึ่งไม่เป็นกุศลย่อทุกปัจจัยมีปัจจัยละสี่สเก้าวาระห้าสิบแปดอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ยังไม่เกิดขึ้นซึ่งไม่เป็นกุศล อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่จกเกิดขึ้นแน่นอนซึ่งไม่เป็นกุศลย่อทุกปัจจัยมีปัจจัยละก้าวาระห้าสบเก้าอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอดีตซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอนาคตซึ่งไม่เป็นกุศลย่อทุกปัจจัยมีปัจจัยและก้าววาระหกสิบอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีอดีตธรรมเป็นอารมณ์ซึ่งไม่เป็นกุศล อาศัยสภาะวธรรม ท, ท, ที่ไม่ใช่มีนคตธรรมเป็นอ hmm okay. ารมณ์ซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์ซึ่งไม่เป็นกุศลย่อทุกปัจจัยมีปัจจัยละสีสิก้าวาระหกสิบเอ็ดอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นภายในตนซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นภายนอกตนซึ่งไม่เป็นกุศลย่อทุกปัจจัยมีปัจจัยละสองวาระ หกสิบอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์ซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัายสภาวาธรรมที่ไม่ใช่มีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์ซึ่งไม่เป็นกุศลยอ่อทุกปัจจัยมีปัจจัยและก้าวาระยี่สิบสองสนิทัศนะตือกะหนึ่งปุชละตือกะหกสิบสาสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่เป็นกุศล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 เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีหกวาระยอ่อเหตุปัจจัยมีสามสิบวาระอารมณะปัจจัยมี9้าวาระละถึงอัญญะมัญญะปัจจัยมียี่สิห้าวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสาสิบวาระทุกปัจจัยพึงขยายให้พิจาราหสิสสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้หรือกระทบได้ซึ่งไม่เป็นอกุศล อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่เป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามสิบวาระอารมณ์ปัจจัยมีเก้าวาร ะ, ร ะ, จจาระและถึงอัญญมัญญปัจจัยมียี่สิ้าวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีสามสิบวาระทุกปัจจัยเพิ่งขยายให้พิสดารหกสิบห้า สภาวะธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่เป็นอภิยากฤิตอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่เป็นอภิยากริตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีเก้าวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละเก้าวาระยี่สิบสองชนิทัศนาเตระสองถึงยี่สิบเอ็ดเวทนาเตกะเป็นต้นหกสิบหก อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาย่อเหตุปัจจัยมีสามสิบวาระอารมณ์ปัจจัยมีเก้าวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีสามสิบวาระอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาย่อเหตุปัจจัยมีสามสิบวาระอารมณ์ปัจจัยมีเก้าวาระละถึง อวิคตะปัจใจมีสามสิบวาระอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่สัมยุ ด, ด้วยทุกขโมสุขเวทนายอ่อเฮตุ ป, ปัจใจมีสามสิบวาระอารมณะปัจจัยมีห้าวาระละถึงอวิคตะปัจใจมีสามสิบวาระหกสิบเจ็ดอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่เป็นวิบาก อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากซึ่งไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ย <vio S 2> ่อเหตุปัจจัยมีสามสิบวาระอรามะนปัจจัยมีเก้าวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีสามสิบวาระอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากซึ่งไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ย่อเหตุปัจจัยมีเก้าวาระละถึง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 ซึ่ิเทกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานยอ่อเหตุปัจจัยมีสามสิบวาระอารมณปัจจัยมีเก้าวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามสิบวาระหกสิบเกอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่ใช่กิเลสทําให้เจ้ามองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสยอ่อ เหตุปัจจ네ัยมีสามสิบวาระอารมณ์ปัจจัยเหนือก้าวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามสิบวาระอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่ใช่กิเลสไม่ทําให้เจ้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสทุกปัจจัยมีปัจจัยและเก้าวาระอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่ใช่กิเลสไม่ทําให้เจ้าหมองและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลส ย่อเหตุปัจจัยมีสามสิบวาระอรมณปัจจัยมี9ก้าวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามสิบวาระเจ็ดสิอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่ใช่มีทั้งวิตกและวิจาร์อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่ใช่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารย่อเหตุปัจจัยมีสามสิบวาระ อารามณะปัจจัยมีเก้าวาระละถึงอวิคตตปัจใจมีสามสิบวาระอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่ใช่ไม่มีทางวิตกและวิจารณ์ทุกปัจจัยมีปัจใจและเก okay. ้าวาระเจออาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่สหรคตด้วยปีติอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่สหระโคด้วยสุ อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่สารวกดูเบิขายอ่อเหตุปัจจัยมีสามสิบวาระอารมณะปัจจัยมี9ก้าวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีสามสิบวาระเจ็ดสิบสองอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่ต้องประหารด้วยโสดาปิมัคอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้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 อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งมีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งมีเหตุไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามย่อเหตุปัจใจมีสามสิบวาระอารมณปัจใจมีเก้าวาระละถึงอวิคตะปัจใจมีสามสิบวาระอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ ซึ่งมีเหตุไม่ใช่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสามยอ่อทุกปัจจัยมีปัจจัยละก้าววาระไม่มีวิบากเจ็ดสิบสี่อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานยอ่อเหตุ ป, ปัจจัยมีสามสิบวาระ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 อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่ใช่เป็นขอ ง, ขา อ, าางขาอาศัยขปุคคลย่อเหตุปัจใจมีสามสิบวาระอรมณะปัจจัยมีเก้าวาระละถึงอวิคตาปัจใจมีสามสิบวาระอาศัสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่ใช่ไม่เป็นของเาศัยขปุคคลและ <hin> อาศัยขปุคคลทุกปัจจัยมีปัจจัยและเก้าวาระเจ็สิบหก อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ he, hahaha, ่งไม่เป็นปริตตะย่อทุกปัจจัยมีปัจจัยและเก้าวาระอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่เป็นมหคตะอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่เป็นอปภมาณะย่อเฮตุปัจจัยมีสามสิบวาระอารมาณะปัจจัยมีเก้าวาระละถึง อวิคตะปัจจัยมีสามสิบวาระเจ็สิบเจอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่ใช่มีปริตตะเป็นอารมณ์อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่ใช่มีมหาคัตตาเป็นอารมณ์อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่ใช่มีอปปามะณะเป็นอารมณ์ยอ่อเฮตุ ป, ปัจจัยมีสามสิบวาระอรามะณะปัจจัยมีเก้าวาระ ละถึงอวิคตะปัจใจมีสามสิบวาระเจ็ิบแปอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่เป็นชั้นต่ำยอ่อเฮตุปัจใจมีสามสิบวาระอารมณปัจจัยมี9้าวาระละถึงอวิคตะปัจใจมีสามสิบวาระอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่เป็นชั้นกลางยอ่อทุกปัจจัยมีปัจจัยและเก้าวาระ อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่เป็นชั้นปรานียอ่อเหตุปัจใจมีสามสิบวาระอารมณ์ปัจจัยมีเก้าวาร ะ, าร ะ, จจาระละถึงอวิคตะปัจใจมีสามสิบวาระเจ็สิบเก้าอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่ใช่มีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอน อาศัยสภาวะธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่ใช่มีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนย่อเหตุ ป, ปัจจัยมีสามสิบวาระอระมณะปัจจัยมีเก้าวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามสิบวาระอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่ใช่ไม่แน่นอนโดยการทั้งสองนั้นทุกปัจจัยมีปัจจัยและเก้าวาระไม่มีวิปา8สิท อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่ใช่มีมรรคเป็นอารมณ์อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่ใช่มีมรรคเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่ใช่มีมรรคเป็นอธิปดียอ่อเหตุปัจจัยมีสามสิบวาระอรมณะปัจจัยมีเก้าวาระละถึงอวิคตา ป, ปัจจัยมีสามสิบวาระแปดสิบเอด อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่ใช่ยังไม่เกิดขึ้นอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่ใช่จกเกิดขึ้นแน่นอนย่อเคตุ ป, ปัจใจมีสามสิบวาระอารมณะปัจใจมีเก้าวาระละถึงอวิคตาปัจใจมีสามสิบวาระแปบสองอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่เป็นอดีต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 อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่ใช่มีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์ย่อเหตุปปัจจมีสามสิบวาระอรมณ์ปัจัจมีเก้าวาระละถึงอวิคตะปัจจมีสามสิบวาระแปดสิบสี่อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่เป็นภายในตนอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่เป็นภายนอกตนย่อ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 ซึ่งไม่ใช่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์อาศัยสภาวะธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่ใช่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์เกิดขึ้นพระเหตุปปจจหตุปปัจจัย่อเหตุตุปปัจจมีสามสิบวาระอารมณปัจจัยมี9ก้าวาระละถึงอัญญมัญญาปัจจมียี่สิบห้าวาระละถึงอวิคตปัจใจมีสามสิบวาระทุกปั จ, จัยพึงขยายให้พิสดาร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 เกิดขึ้นพระเหตุปัจจัยมีหกวาระย่อเหตุปัจจัยมีสามสิบวาระอารมณ์ปัจจัยมีเก้าวาระละถึงอัญญามัญญปัจจัยมี25้าวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีสามสิบวาระสหชาติวาระปัจจยวาระนิสยวาระสังสัตถวาระสัมยุญตวาระและปัญหาวาระพึงขยายให้พิดาร ธรรมปัจจนนยะตึกะตึกะปัฏฐานจบ